ต่อไปก็ศึกษาในเรื่องของกรราที่จริงจะเข้าในด้านของโยนิโสมนสิการ ก, ก็ต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์วิปรโยคกันทั้งแผ่นดินในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักของวงชนชาวไทยมากนั้นจะไปหนะ้าที่ไหนเราก็จะเห็น การเศร้าโศกเสียใจเกิดวิปรโยคกันทั่วแผ่นดินว่างั้นเลยนะโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสวรรคตรหรือสิ้นพระชนเนี่ยวันที่เท่าไหร่13ตุลาคม2559เกเวลาเท่าไหร่ 15.52 นาที เราพระเนรึกอือกลุมเราก็ได้ส่งเสด็จด้วยการทำสมาธิภาวนาตั้งอธิษฐานจิตและลึกถึงพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มาปัญญาวิริยะขันติสัจธิฐานเมตตาเวขาบา ร, รมีและลึกถึงอุ ป, ปบา ร, รมี10ปรมัธบา ร, รมี10มหาปริจาคะ5หมีทานะปริจาคะ เป็นต้นจนถึงชีวิตตะปริจาคะเป็นที่สุดและเลึกถึงพุทธการกรรทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญมาบวกด้วยคุณของพระธรรมคุณของภระิยะสงในสากลจักรวาลจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนาพากระแสชีวิตของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวให้ดำเนินไปตามมรรคาของพระชน์เจ้า สเสดสู่สวรรคาคาลัแล้วก็เป็นปัจจัยในการสิ้นกิเลสและกองทุกข์ในอนาคตนะก็ได้ตั้งจิตกันอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตแบบนี้ไหมตั้งแบบนี้ไหมตามสโคตามเหตุการณ์ที่ได้ตั้งแบบนี้ไหมสมณเณรตั้งแบบนี้หรือเปล่าตั้งอย่างนี้เออเนี่ยั้นตอนนี้ก็มาสองวันแล้วสามวันแล้ว เนี่ยก็เลยมาปาราบในเรื่องเออถ้าไปบินทบาทนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งสวราคตเนี่ยตอนไปบินทบาทเราก็จะเห็นผู้คนมากมา ย, ยมีอากับกิริยาแม้ไปฉันอาหารมาอวานเนี่ยสังเกต ด, ดูนะว่าทั้งเจ้าของร้านก็ดีทั้งพนักงานก็ดีเวลาเห็นข่าวปุบ๊บก็จะนั่งน้าตาคลอเหมือนใช่เนี่ยพวกเราเป็นแบบนั้นบงมา ความรู้สึกมีมห้ยสมเมทนมีความรู้สึกแบบนี้ั้มมีสลดสังเวะเป็นระยะระยะมันจะมีว่าเฉยๆหรือมีความสลดสังเวะมีความารู้สึกยังไง เขาว่าเฉยๆคือเป็นคนก็แล้วแต่รู้เรื่องรู้ราวด้วยโมหะกินเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มนั้นหรือเปล่ามันจะเจอกลุ่มอย่างนี้ก็เยอะนแต่ประเด็นคือ้าในด้านของพระสงฆ์ที่พระเจ้าทรงวางหลักเนี่ยพระเนี่ยต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญาใช่ไหมไอ้ตัวปัญญาเนี่ยจะไปทำหน้าที่ไป เข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมไอ้ตรงนี้กรรมรรสักตาสัมมาทิฐิเนี่ยต้องชัดเลยนะถ้าไม่ชัดในเรื่องของกรรมรรสักตาสัมมาทิฐิเนี่ยจะเสียหายเลยทีนี้อันนี้เราก็เป็นอยู่โดยการที่ขาดปัญญาทันทีเลยนี่ น, นี่ต้องต้องระวังเนีบางทีเราแบบไปๆมามาเราก็ไม่เข้าใจกระบวนการของกรรมให้ชัดฉะนั้นวันนี้ก็จะมาทําความเข้าใจ ในเรื่องของเจตนานบัณฑิตเนี่ ย, ยผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแล้วเนี่ยจะสามารถกำหนดพิจารณาเรียนรู้สภาวะของเจตนานอันเป็นปรมาตธรรมอย่างหนึ่งที่นับเนื่องในสังขารขันอันนี้ลึกเป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้อารมณ์เป็นพิเศษออกไปจากเวทนาและสัญญารู้ ในด้าของนามธรรมามันจะมีกลุ่มเวทนาขันก็คือมีความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยเฉใช่ไหมสัญญาขันก็คือจําได้หมายรู้จํำในสีเสียงกินรสโผฏฐัพพะเนี่ยไอกลุ่มวิญญาณขันก็รู้แจ้งแต่สังขารขันที่เป็นกลุ่มของเจตนาเนี่ย <c oughs> เป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนสมามยุทธธรรมให้มุ่งสู่อารมณ์โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนที่ไม่เหมือนกับสภาวธรรมหรือป ร, ม, ร ม, มัตถธรรมอื่นๆ ก็เรียกว่าวิเศษลักษณะหรือปัจจตลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของเขาอันดับแรกมาจากคำว่าเจโตยุตตาลักษณะก็คือมีการชักชวนกระตุ้นเตือนสามยุทธธรรมในรวมเป็นลักษณะหมายความว่าเจตนาเนี่ยเจตจานงหรือความจงใจตั้งใจเวลาเกิดขึ้นแล้วมันจะมีลักษณะพิเศษลักษณะยังไงก็คือมีลักษณะ ชักชวนและกระตุ้นเตือนที่ภาษาท่านใช้คำว่าจริระเจ ส, สิกที่เกิดพร้อมกันกับตนให้อยู่หรือให้ไปจับอยู่กับอารมณ์ไม่ให้หลุดหายไปจากอารมณ์นั้นกระตุ้นบ่อยๆแล้วก็จัดแจงสัมพยุิธธรรมนั้นน่ยให้ทําหน้าที่ของตนของตนไม่ให้ย่อหย่อนและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ํากันเช่น เจตนาเนี่ยไปกระตุ้นเตือนให้สัญญาทำกิจในการจำอารมณ์เจตนาไปกระตุ้นเตือนให้เวทนาทำกิจในการจำอารมณ์เจตนาไปกระตุ้นเตือนทำให้ความโลภมีความอยากได้ในอารมณ์เจตนาไปกระตุ้นเตือนให้โทสะหรือความโกรธปะทศสลายในอารมณ์เจตนาไปกระตุ้นเตือนให้โมหะมีความมืดบอดในอารมณ์ไปกระตุ้นเตือน อ, อ, อหิริกะไม่ละอายต่อบาป อ, อนตุตตะปะไม่ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นกระตุ้นความฟุ้งซ่านความลำคาญใจอิจฉาริษยาเกิดขึ้นให้ทําหน้าทีข่ของตนของตนอันนี้ก็ตุ้นฝ่ายบาปไม่ใช่แค่นั้นเจตนายังสามารถไปกระตุ้นเตือนให้ศรัท ธ, ธาทํากิจในการที่เชื่อมั่นในใ น, ในคุณของพระรัตนตรยัยในคุณของความดีไปกระตุ้นความเพียรให้มีความแ ก, กล้าอาถานพ์ไปกระตุ้นสติในการระลึกติดต่อในอารมณ์นั้นๆอย่างต่อเนื่องไปกระตุ้นสมาธิหรือเอกาคาตาให้มีความตั้งมั่นแห่งจิต เป็นกระตุ้นปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่จริงๆคือเป็นเรื่องเจตนาล้วนๆเลยสําคัญไหมอันนี้เป็นหลักเลยเป็นประธานของกลุ่มสังขารขันในขณะที่พวกเรานั่งฟังกันอยู่ยอมสุวรรณก็นั่งฟังไปด้วยบีบขาไปด้วยเนี่ยอันนี้มาจากอะไรเนี่ยมีเจตนาแล้วเจตนามันจะมีสองส่วนเจตนาดีหรือไม่ดี ในกระดาที่ตั้งฟังเป็นแปกรเจตนาดีหรือไม่ดีบางคนมีเจตนาอ่อนแอมากฉะนั้นจะแปลกใจเวลาฟังไปก็จับประเด็นไม่ได้เพราะมีเจตนาต่ามีเจตนาไม่รุนแรงมีเจตนาไม่มุ่งมัน่นแต่ก่อนฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องตรงนี้แต่เป็นคนเวลาจะทำอะไรเป็นคนตั้งใจมากตั้งใจสูงมาก เช่นเวลาจะไปนั่งฟังอะไรเนี่ยเป็นคนที่จะไปนั่งหน้าและจะต้องปิดเสียงข้างนอกทั้งหมดจิตตั้งมั่นสูงมากกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะดูดเอ า, มาหมด <c oughs> แล้วก็เป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลาจงใจจะทําอะไรขึ้นมานี่ยโอ้โหความตั้งใจแบบเกินร้รรอยวันนั้นถึงตั้งใจมุ่งมั่นจัดจ่อในเรื่องนั้นจะไม่มีง้อยหลับซึมไม่มีไม่มีมมเออก็เลยกลายเป็นคนที่เออตื่นตัว แต่เวลาถึงหยุดเรียนปั๊บหนังสือจะไม่จับไม่สนใจแต่เรียนเก่งกว่าเขาหมดเออมาเพราะอะไร อ, อ่อเออเจตานามันก็นไปในขณะที่เรียนสนใจสูงมากสนใจสูงสูงอย่างพิเศษฉะนั้นจะไม่มีเราเห็นคนอื่นก็นั่งหลับนั่งสุดมจะไม่มีจะไม่มีเลยแบบนั้นนะ <c oughs> แต่ถึงเวลาทิ้งปล่อยแต่พอกลับไประลึกได้หมดเนีไงนะระลึก ติดต่อต่อเนื่องได้หมดเพราะเจตจำนงตั้งใจแรงมากเคยทําได้ไหมล่ะสนิทฟังอะไรนี่ใส่ใจอะไรต่างๆปิดข้างนอกได้เลยไม่สนใจเลยอะไรผ่านมาแม้ยุงกัดยังแทบไม่รู้สึกเลยทําได้ขนาดนั้ น, นคุณก็ประสบความสําเร็จได้นี่เรื่อใช้เจใช้เจตนาเป็นเออถ้าใช้เจตนาในการทํากุศลเนี่ยโอ้โหจะแข็งแรงมากและตรงกันข้ามถ้าไปใช้เจตนาผิดเกิดไปทําบาปขึ้นมาเนี่ยโอ้โห บาปจะเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณเป็นเท่าตัวเลยมองเห็นไหมว่าเจตนาเนี่ยถ้าใช้เป็นมีผลมหาศาลแต่จะใช้ผิดเสียหายเลยเราเป็นคนที่มีเจตจำนงความจงใจและความตั้งใจในสูงหรือต่ำ สังเกตแต่เป็นคนไปที่ไหนหลับระลั บ, ลบนี่นี่ก็เรียกตำ่ำใจจม่งตำ่ำเวลาเจริญกุศลเจตนาต่ำต้อยมาก จ, จะจะเจตนาสูงตอนทําบาปตั้งใจเต็มที่เลยเวลาทําบาปเนี่ยเช่นโลภสุดๆกรดสุดๆนะ ม, มัวเมาสุดๆเนี่ตอนนั้นโอ้โหเต็มที่เลยว่างั้นเตืตื่นตัวเต็มที่เป็นไม่เป็น เอ้ยอย่างเงี้ยก็ใช้เจตนาผิดเวลาจะโกดใครแต่ละทีจะรอบเกี่ยวกับมัวเมาลุ่มหลงแต่ละทีโหเต็มที่เลยใช่ไหมทำเต็มที่แต่เวลาจะทำบุญง้อยง้อยง้อยเสื่องซึมม่กระเตื้องเลยว่างั้นเด้แล้วก็ฟังก็จับประเด็นอะไรไม่ค่อยได้ไอ้ตรงนี้ ถ้าปราถนานะอยากประสบความสําเร็จในการฟังเวลาใครเล่าเรื่องอะไรหรือก็ธรรมะอะไรต่างนี่จับประเด็นนี่เต็มที่เลยครับในขณะที่ทําขนาดไหนรู้ไหมเช่นเราจะฟังธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยในขณะที่ฟังเนี่ยจิตเนี่ยท่องตามเลยนะเช่นคําพูดที่พูดก็ตามเลยตามทุกคําตามทุกคําทุกคําทุกคําทุกคําทุำ ตามทุกคําประมวลตามทุกคําประมวลตามทุกคําประมวลจิตจะจอ่อต่อเนื่องขนาดนั้นโอ้โหคือให้จิตใจสิกทั้งหลายทําหน้าที่เต็มที่เต็มรูปแบบไม่ให้ย่อหย่อนในการทํากินตัวเองเลยนั้นใส่ใจมุ่งมั่นเต็มที่โอ้พอตอนนั้นไปสอบประมาณปีเขาก็ให้ไปเรียนไอ้ไม้เอก เ, เนี่ย ดูหนังสือคำพีปัฐฐานเนี่ยมันประมาณห้าร้อยกับละกับห้าร้อยนัดดูหนังสืออยู่ห้าวันคือปกติเนี่ยมันหลักสูตรปีเนี่ยแต่เราไปดูดูดูแค่นั้นก็โโทดไปแล้วเนี่ยมันจะไปผ่านได้ยังไงแต่อะไรหนึ่งต้นทุนที่เรียนมาเราเรียนมาเยอะชั้นต้นๆก็ไปดูดูข้อมูลแล้วก็มุ่งมั่นตรง ในระหว่างที่เวลาดูเปิดแต่ละหน้าแต่ละหน้าเนี่ยมันปิดหมดเลยเสียงข้างนอกมง่งมันเหมือนตัวดูดเลยฟึดฟึดฟึดเข้ามาโม<ฮ>เออแล้วมันมันทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปที่คำสอนจริงๆไม่น่าจะผ่านสอบผ่านแล้วได้ที่ 18ของประเทศด้วยซึ่งไม่น่าไมนเป็นไได้อย่างนี้เป็นตอนไม่ใช่ไปคุยเรื่องเก่งนะแต่จริงๆคือใช้เจตนาเป็นที่จะพูดทั้งหมดอยากให้พวกเราเป็นแบบฝึกนะฝึกใช้เจตนาเป็นเนี่ยทำอะไรก็ตั้งมั่นเต็มที่เลยไม่ปล่อยเพลินๆซึมๆไม่ทำตั้งใจทำอย่างเต็มที่เนี่ยลักษณะของเจตนาเนี่ยเขาเลยเปรียบเหมือนกับผู้จัดการที่คอยจัดแจง กิจการให้ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานและก็สามารถและความสามารถของลูกน้องหรือผู้ร่วมงานแต่ละคนและก็กระตุ้นเตือนให้กระทําตามหน้าที่ของตนไม่ย่อหย่อนหรือโอหรืออืดอาดหรือไม่เกิดความเหลื่อมล้ํากันนอกจากจะกระตุ้นเตือนสัมผัสทำแล้วตนเองก็ทําหน้าที่พร้อมไปด้วยนี่เจตนาเป็นอย่างนี้ ประการที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะนี่คือลักษณะประการที่2อายุหณราสาอายุหน่เนี่ยมีความกังวลห่วงใยรับอา ร, รมณ์ของสมมิธธรรมเป็นกิจหมายความว่าเวลาเจตนาปรากฏปุ๊บเจตจำนงปรากฏปุ๊บในใจนะ่ยมีความจงใจตั้งใจปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าที่กระตุ้นเตือนสมประยุน ธ, ธรรมกับจิตเจรสิ่งที่เกิดพร้อมกันของตนเนี่ย <S <S <S ให้ทํากิจไปตามหน้าที่ของตนในอารมณ์ที่รับอยู่ และในขณะเดียวกันตนเองก็รับอารมณ์ด้วย ย, ย, ยวกตัวอย่างเช่นมีสีระลึกเนี่ยหลับตาแล้วนึกถึงสีนึกถึงเสียงอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนึกถึงอดีตปุ๊บเจตนาก็กระตุน้นกระตุ้นให้สัมยุตธธรรมครอเจตสิกกระตุ้นสัญญา้ทำให้รับสีนั้นเป็นอารมณ์จำสีนั้นเป็นอารมณ์ให้เวทนาเสวยรสคือสุขทุกข์เป็นอารมณ์ แล้วก็ไปกระตุ้นเตือนสภาว่าทำอื่นๆให้มีความเชื่อมั่นต่ออารมณ์นั้นมีความชอบใจต่ออารมณ์นั้นมีความโกรธต่ออารมณ์นั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยและในขณะเดียวกันตนเองก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ไปด้วยก็ี่เขาเรียกว่าประมาณเหมือนเจ้าของนาที่กําลังเกี่ยวข้าวพร้อมกับลูกน้องเจ้าของนาก็ย่อมมีความ <c oughs> ห่วงห่วงเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเกรงว่าลูกน้องจะทําหน้าที่ของตอนไม่เต็มที่ ก็เลยต้องสอดส่องดูแลด้วยและกระตุ้นเตือนให้ลูกน้องทำทำการเกี่ยวข้าวไปอย่าง ข, า ม, าขามักขมินเต็มกําลังเต็มความสามารถของตนและในขณะเดียวกันตอนเองก็ไม่อยู่เฉยย่อมทําการขนขวายในการเกี่ยวข้าวพร้อมกับลูกน้องไปด้วยเ <c oughs> ฮ้เป็นยังนะหรือทํางานใดๆก็แล้วแต่คนที่คุมงานเคยคมงานไหมเคยคมงานไหมเวลาไปคมงานปุ๊บเนี่ย แล้วก็กระตุ้นเตือนให้ลูกน้องทำงานใช่ไหมทำหน้าที่อเองตัวเองและในขณะเดียวกันตัวเราเองก็ทำด้วยลักษณะเจตนาจะเหมือนกับเจ้านายมันกระหวัวหน้านั่นแหละผลปรากฏเป็นยังไงสังวิธานะะะา น, นะปัจจุบัฐานามีการจัดแจงสัมยุธทธรรมไว้ในรมเป็นอาการปรากฏหมายถึงว่า เจตนาเจตจานงเจตคติเนี่ยมีอาการเป็นไปในการจัดแจงและกระตุ้นเตือนสัมผัสธรรมให้อยู่กับอารมณ์ก็คือให้มุ่งมั่นในการทํากิจของตนของตนไม่ให้หยุดชงงะงักในผลปรากฏก็คือทําติดต่อต่อเนื่องไมห่หยุดชงงะงักก่อนที่จะสําเร็จกิจในการรับอรณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยท่านอุปมาบนหัวนหน้า ง, งานเหมือนกันหรือในช่างใหญ่เป็นต้นเนี่ยที่สามารถทํากิจการงานของตนให้ดําเนินไปโดยไม่บกพร่อง แล้วยังสามารถแนะนําตักเตือนที่แน่ให้ลูกน้องและบุคคลอื่นๆที่ร่วมกิจกรรมตนเองนั้นน่ยให้ทําให้สําเร็จพร้อมกันกับตนเองไปด้วยมีผลปรากฏชัดเลยคือทําสําเร็จทํากิจในการรับเห็นสีรับเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทํำกิจตนเองเนี่ยไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ผลปรากฏขึ้นมาชัดเลย ประการสุดท้ายเสยสะขันทัตทัตยาเนี่ยประธานาก็มีขันสามเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันที่เลื่อเป็นเหตุใกล้ให้เกิดก็หมายความว่าเจตนาเนี่ยเป็นสังขารลขันนะเป็นสภาวธรรมที่มีหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้รู้อารมณ์เป็นพิเศษคําว่าสังขารในที่นี้ก็แปลปรุงแต่งไม่ใช่แปลว่าสังขารร่างกายจิตใจสังขารปรุงแต่งจิตปรุงแต่งสภาวธรรมที่เกิดลงทําหน้าที่ปรุงแต่ง เจตนาเนี่ยเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยนา ม, มขันที่เหลือถ้าไม่มีเวทนาคือการสวยสุขและทุก์เจตนานเจตจำนงเกิดไม่ได้ถ้ามีวิสัญญาคือความจําได้ไหมายรู้เจตนากเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณคือสภาพที่รู้อารมณ์ที่เป็นประธา น, นเจตนาก็เกิดไม่ได้เห็นไหมจริงๆตัวของเขาเองก็ไม่ได้เป็นใหญ่เคพระตัวตัวเขาเองก็จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นด้วย ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเขาเกิดได้ไหมไม่ได้อีกเห็ไม่ไมสภาวิธรรมจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้แหละนี่เป็นอย่างนี้ก็คือเขาทําหน้าที่ชักชวนกระตุ้นเตือนสัมยุตธรรมให้เกิดพร้อมกับตนก็คือเวทนาสัญญาและวิญญาเจเ จ, เจสิกที่เป็นสังขารละคันอื่นเนี่ยถ้าไม่มีสัมยุตธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบเขาเจตนาก็ไม่สามารถทํากิจหรือกระตุ้นเตือนชักนำสัมยุตธรรมไว้ในรม และก็ไม่มีสภาวธรรมที่จะให้จัดแจงหรือกระตุ้นเตือนก็ไม่จะเป็นต้องเกิดขึ้นแต่อย่างไดอปปามาเหมือนผู้ที่เป็นหัวหน้าปกครองคนเนี่ยถ้าไม่มีผู้ใต้ปกครองความเป็นหัวหน้ามันจะมีได้อย่างไงใช่ไหมความเป็นหัวหน้ามันก็มีไม่ได้เ ห, เหมือนเหมือนเจ้าวาดเออก็ต้องมีหลวงวัดมันจะปกครองได้ ในแม้อาศัยซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยเขาถึางบอกว่าเจ้าวาดก็มีพระลูกวัดเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนั้นความเป็นหัวหน้าย่อมมีไม่ได้เมื่อไม่จําเป็นต้องก็คือไม่จําเป็นต้องมีเพราะฉะนั้นเจตนาเจสิกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสัมยุทธธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตอนนั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นเตือนเนาะมีพุทธพจน์บอกว่า บทบาทของเจตนานี่ยว่าเป็นประธานในสัมมีจะทำการงานที่เกี่ยวกับกายวจาใจเสสำเร็จลงได้เนี่ยเขต้องอาศัยเจตนาพุทธพจน์บอกว่าเจตนาหังพิกขเวกัมมังวดามิเจตยิตวากัมมังโรติกาเยนะวาจายะมณสาเขาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราถาคตกล่าวว่าเจตนานี้แหละว่าเป็นตัวกรรม บุคคลถูกกระตุ้นเตือนด้วยอำนาจของเจตนาแล้วย่อมทำการงานที่เกี่ยวกับกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างดังนี้ เ, เข้าใจคำนี้ไหมเจตนาหังพิกเวกัมมังวดามิเจตยิตาวากัมมังกรติกาเยนะวาจายะมณสาพร้อมเข้าใจตรงนี้ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเจตนานี้แหละว่าเป็นตัวกรรม บุคคลถูกกระตุ้นเตือนด้วยอำนาจของเจตนาแล้วย่อมทําการงานที่เกี่ยวกับกายวาจาและใจบ้างนั้นเวลาใจจะคิดนึกอะไรออกมาเนี่ยใครต้องกระตุ้นก่อนเจตนาต้องกระตุ้นก่อนใจถึงจะคิดได้บริบูรณ์ได้สําเร็จการกระทําทางกายทางวาจาจะออกมาได้ก็ต้องมีเจตจำนงจงใจตั้งใจนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้สัมยึดธรรมอื่นๆนะทํากิจถ้าสัมยึดธรรมอื่นๆไม่ทํากิจนะ่ย นั้นคำว่ากรรมมันเป็นชื่อของการกระทําทางกายวาจาใจเนี่ยและการกระทําต่างๆจะสำเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยเจตนาเป็นประธานหรือเป็นตัวนาเพราะฉะนั้นเน่ยเจตนาจริงชื่อว่ากรรมแต่การเรียกว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเนี่ยเป็นการเรียกโดยอ้อมหรือโดยตรงทำไมเรียกโดยอ้อม การเรียกเจดนาเป็นตัวกรรมเนี่ยไปเรีย ก, กเรียกโดยอ้อมหรือโดยตรงทำไมจึงเรียกโดยอ้ อ, อ ม, มอ้ออมอาวตัวนี้ต้องถบกันเลยทำไมจึงเรียกโดยอ้ อ, อ, อมไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยแล้วทั้งหมดต้องเอองรียกยังไงแปลว่าอะไรกิจถูวบ้า <laughs> ไม่แปลว่าอะไรเกือบจะทึกถู ก, ถกมันไปได้เริ่มชัดขึ้นแล้วนะเนี่ยเริ่มมีอนี่อจิตอย่างเดียวทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเขาเข้าใจเริ่มชัดขึ้นอย่างเงี้ยเริ่มเข้าใจชัดขึ้นก็คือว่าเป็นที่บอกว่า การเรียกเจตนาเป็นตัวกรรมเป็นการเรียกโดยอ้อมคือยกเอาชื่อของผลมาตั้งอยู่ในฐานะแห่งเหตุเพราะกรรมจะสําเร็จลงได้ต้องอาศัยสัมยุต ธ, ธรรมที่เกิดเพราบเจตนาที่ทําหน้าที่ของตนของตนโดยไม่บอกพ้องจึงจะสําเร็จเป็นกรรมได้ต้องทุกตัวแล้วมันเยอะมากแต่เจตนาเนี่ยเป็นเป็นตัวเริ่มต้นต่านั้นเองแต่กล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเป็นการกล่าวโดยอ้อม เป็นเกาเรียกว่าจริงๆเจตนาจะบอกว่าเป็นผลยังได้เลยชื่อว่าผลจะตั้งอยู่ในฐานหน้าเหตุก็หมายความว่าจิตใจสิกที่ประกอบการทำที่เป็นก Rabbi, ุศลหรืออกุศลเนี่ยต่างก็ช่วยการทําหน้าที่ของตนไม่ให้ย่อหย่อนโดยอาศัยเจตนาเป็นตัวชักนําหรือกระตุ้นเตือนฉะนั้นจะเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมสําเร็จลงได้ที่จะเรียกว่ากรรมได้ ที่จะเป็นความหมายได้โดยตรงก็ได้แก่อกุศลทั้งหมดนะที่เมื่อกี้สมณเณรบอกว่อาอกุศลจิตวบาทหรือกุศลจิตวบาทก็คือการเกิดขึ้นของอกุศลจิตและกุศลจิตที่มีเจตสิกประกอบด้วยตามควรที่จะประกอบได้นั่นเองเหตนี้นพอบอกว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเนี่ยจริงๆริงผัสสะที่เกิดร่วมกับเจตนาก็ต้องเป็นกรรมด้วยถ้าไม่มีผัสสะทาหน้าที่กระทบอารมณ์กรรมก็สําเร็จไม่ได้เวทนาที่เสวยรสของอารมณ์ก็ต้อง เป็นกรรมไปด้วยในขณะที่ถูกกระตุ้นเตือนสัญญาที่จำอารมณ์ทั้งหลายเอกะกตาคือการตั้งมั่นใช่ชีวิตินสรีตลอดถึงวิตกวิจารณ์เป็นต้นเนี่ยนะทั้งโลภะโทสะโมหะทั้งอารโลภะอโทสะโมหะเนี่ยสภาวธรรมทั้งหลายที่มาเกิดร่วมเนี่ยมีส่วนในการเป็นกรรมหรือทํากรรมนั้นให้สำเร็จได้ โอ้การงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทางกายทางวาจาทางใจจะสำเร็จลงได้หรือไม่ได้มันอยู่ตรงที่สามยุทธธรรมเขาสมัครสมานสามัคคีกันเเกิดร่วมกันทำหน้าที่ ก, กันอย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นกรรมในที่นี้จึงหมายถึงการงานก็ได้จริงไหมจริงลุกขึ้นเดินไปในี่เป็นกรรมต้องมีเจตนาที่จะเดินใช่ไหมมีเกียติจมีความจงใจตั้งใจที่จะเดิน แต่จะเป็นกุศลอะกุศลว่ากันอีกทีเดินด้วยกุศลได้ไหมก็เห็นคนโกรธเดินไหมยมสวรรณโกรธมากเดนินป๊อบไปป๊อบมาโกรธวนอยู่นั่นแหละอ้าวตรง น, นั้ น, นกรรมสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วถือม้ใหญ่เลยจัไปจัดการมันหน่อยอเอาไปมันร้องทั้งคืนเลยวันนี้ ตัวไม้โดนปบไปกระทงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเพราะฉะนั้นมันชอบล้องเนี่ยปิดรูมันซะเลยโอ้โห oh. <laughs> สำเร็จหรือยังกรรมเนี่ยสำเร็จแล้วรอรับผลต่อไปต่อไปเวลากรรมให้ผลเนี่ยในนี้โอ้โหโดร้า ย, ย, ย, ย, ยมากไปอยู่ที่ไหนก็โดนปิดโดนกัน ไปอยู่ที่ไหนได้พักหนึ่งก็โดนกระทุง้งดนกระแทกอยู่นั่นเองโอ้โหก ร, โ ก, รกรรมยิ่งโหดอะไรนี่กุศลกรรมนะในยะจงเงินข้ามจะเป็นกุศลกรรมก็ว่ากันอีกนะเข้ า, าใจนะตอนทําก็รู้สึกคันสะใจเลยแต่โดนถูกกระทําล้วรู้สึกเป็นทุกข์ใจเศร้าใจใช่ไหมเหมือนเราเอา้าวหน้าเจตนามีสองประการเนี่ย 1. สังวิธานกิจการจัดแจงปรงแต่งให้กรรมสาเร็จลงกับ 2. พีชานิธานกิจการเก็บเชื้อของกรรมไว้รอโอกาสส่งผลไอ้ตัวไหนสังวิธานกิจกับพีชานิธานกิจเนี่ยไอ้กรรมจะสาเร็จมันได้2ลักษณะ เ, เออเจอตนาในขณะที่เขาประกอบกับกกจิตดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำกิต สองอย่างเนี่ยให้สําเร็จลงก็หมายความว่าถ้าประกอบกับอกุศลและจิตหรือกุศลจิตเนี่ยหรือโลกแยกุศลเนี่ยเขาทำกิจ2อย่างให้สําเร็จพร้อมกันนะคือว่าสังวิธานกิจจ์และพีชานิธานกิจถ้าประกอบกับเลโลกิริยาจิตโลกุตระเนี่ยเขาทำกิจเดียวนะสังวิธานะแ้วประกอบกับวิบากทํากิจอย่างเดียวก็พีชานิธานกิจตรงนี้อาจจะลึกนิดนึงบมองออกไหม คือเวลาเขาประกอบกับกุบกศลกับอกุศลเนี่ยเจยตนานี่นะประกอบในกุศลจิตรหรืออกุศลจิตเนี่ยเขาจะทํากิจ2 อ, อย่างเลยทั้งสังวิธานกิจจะ ก, ก็คือจัดแจงปรุงแต่งให้กรรมสมําเร็จด้วยสองพีชานิการในกิจด้วยคือเก็บเชื้อของกรรมไว้เราการถึงการส่งผลด้วยมันมีพลังขนาดนั้นมีอํานาจขนาดนั้นถ้าเกิดในกุศลจิตอกุศลจิตแต่ถ้าไปเกิดในกิริยาหรือวิบากจิตเนี่ยเขาทำได้กิจเดียวคือพีช การเก็บเชื้อของกรรมไว้รอการส่งผลเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้ทำกรรมนี่เขาอยู่ในวิบากจิตเข้าใจใช่ไหมเป็นตัวผลไม่ใช่ตัวเหตุเอา้ามี อาอนจะไม่เข้าใจดูสังสังวิธานกิจหมายความว่าอะไรการจัดแจงปูงแต่งให้การงานสําเร็จลงหมายความว่าเวลาเจรนาเจสิกเนี่ยเขาก็ย่ำจัดแจงหรือกระตุ้นเตือนให้สำเนยต ธ, ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับเขาให้ทำหน้าที่ใช่ไหมของตนของตนไม่ให้หย่อนไม่ยิ่งหย่อนไม่ย่อหย่อนทีนี้ในขณะที่กิจการงาน น, นั้นสําเร็จลงไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ข้างค้างได้แก่การกระตุ้น ให้จิตเกสิกเกิดพร้อมกับตนในการรับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่อย่างพร้อมเพรียงกันไม่เกิดความเหลื่อมล้ำกันเนี่ยให้การกระทำนั้นเรียบร้อยก่อนที่จะถึงพังคะขณะก็คือจิตเนี่ยมันจะมีขนาดว่าอุ ป, ปาทะขณะเกิดทีติตั้งอยู่พังคะดับมันมีสามขณะางนี้นะทีนี้ในขณะที่เป็นอนุขณะสมขณะเนี่ยคือทำให้สัมยุทธธรรมที่รับอารมณ์ น, นั้นปรากฏนั้น ให้ได้ก่อนที่จะหมดกําลังลงอุปาท aka ขณะเกิดทีติขณะตั้งอยู่และพังคะขณะ ด, ดับโดยเฉพาะถีติขณะคือขณะตั้งอยู่ของจิตเนี่ยเจตนานั้นก็จัดแจงสมยยธิธธรรมทั้งหลายให้รับอารมณ์ได้ทุกดวงโดยไม่มีการเกี่ยงงอนกันเลยในขณะถีติขณะเขารับได้หมดเลยกระตุน้นเตือนให้จิตเจติกที่เกิดเพระมรรตลับอารมณ์ปุ๊บพร้อมกันเลยนะพอรับอารมณ์เสร็จแล้วปุ๊บถ้าเป็นฝ่ายอากุศลจิต ก็สำเร็จจิตเป็นอกุศลทันทีพร้อมที่จะให้ผลเป็นอกุศลวิบากต่อไปถ้าเป็นโลกยกุศลก็สำเร็จเป็นกุศลกรรมเป็นทานกุศลสี่งกุศลภาวนากุศลทันทีพร้อมที่จะให้ผลเป็นกุศลวิบากต่อไปถ้าเป็นวิบากจิตก็ให้สำเร็จกิจเพียงจัดแจงให้สมมิธรรมทำจิตนั้นๆให้สําเร็จลงเท่านั้นเช่นถ้าเป็นจักรคุญาณ ก็ให้รับรู้อารอามณ์ที่ปรากฏข้างจากขุทวานให้เรียบร้อยไม่เกิดการอึดอาดหรือท้อแท้ต่อต่อการรับอารมณ์นั้นเป็นต้นถ้าเป็นกิริยาจิตก็ให้สำเร็จกิริยาคือเพียงให้สำเร็จกิจในการรับอารมณ์หรือในการทำกิจน น, นั้นให้สำเร็จลงแต่ไม่มีการส่งผลให้รับผลต่อไปถ้าเป็นมรรคจิตเกิดขึ้นสาเร็จเป็นกุศลกรรมปุ๊บโดยการทาการประหารนิสยสงเเรให้ขาด ตามสมควรแก่มรรคพร้อมกับการรับผนิพาทธเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิวัตตะคำมีนิคุศลก็คือกุศลที่เป็นเหตุให้พ้นจากการเวียนว่ายได้เกิดในสังสารวัฏจึงไม่ให้ผลเป็นปฏิสนธิวิญญาณในพบต่อไปนีถ้าเป็นผลจิตก็ให้สําเร็จเป็นเพียงเป็นผลที่เกิดในลําดับต่อจากมรรคโดยทําหน้าที่เสวยวิมุตติสุขหลังจากมรรคจิตทําหน้าที่ปหารกิเลสประหารอนุสัยเสร็จแล้วเนี่ย นี่เป็นอากาลิกัธรรมก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากมากรรคจิตดับลงปุ๊บนะโดยไม่มีจิตดวงอื่นมาขั้นระหว่างเลยเนี่ยพร้อมกับการทํางานในการรับนิพพานเป็นลมนโดยมรรคจิตแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นเพื่อสวยวิมุตติสุขก็คือผลเท่านั้นไม่มีการให้ผลในปฏิสนธิวิญญาณต่อไปนั้ฉะนั้นทางตะวันทั้ง6แต่อย่างใดหนึ่งรับเฉพาะนิพพานเป็นลมเท่านั้นเป็นต้นนี่เข้าใจคําว่าสังวิธา น, านกิจสรุป ตรงนี้หน่อยออสังวิธานกิจเนี่ยก็หมายถึงการจัดแจงถ้าเป็นกุศลอกุศลปุ๊บเนี่ยก็ทำกิจด้วยสำเร็จเป็นกรรมด้วยแล้วก็เก็บด้วยนะเป็นพีชาณิธานกิจร อ, อในการที่จะให้โอกาสส่งผลต่อไปเห็นไหมทำในสองส่วนแต่ถ้าวิบากถ้าทำกิจเดียวรับผลแต่ไม่สามารถ ที่จะให้ผลต่อไปทีนี้ถ้าพีชานิธานกิจเนี่ยนะหมายถึงการเก็บเชื้อของกรรมไว้โดยอกาศส่งผลในอกาสส่งผลเนี่ยเจตนาเนี่ยนอกจากจะจัดแจงกระตุ้นเตือนให้สมยุธทธรรทกิจของตนให้สมเด็ดเรียกว่าสังวิธานกิจแล้วถ้าเป็นกิจในอกุศลจิตหรือในกุศลแจิตเขายังทากิจในการเก็บเชื้อด้วย เช่นท่านไปนฟังธรรมไม่ใช่เช่นในขณะนี้ฟังธรรมเป็นกุศลพราะจิตเป็นกุศลปุ๊บแต่ละขณะแต่ละขณะนี้เขาสำเร็จเป็นกุศลกรรมแล้วมากมายมากกุศลกรรมนั้นโลดแล่นหมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสังวิธานกิจและในขณะเดียวกันยังทํากิจเก็บเชื้อที่เป็นผลของกุศลเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปไหนไม่ให้ตัว เชื้อของกรรมนั้นเน่ยเชื้อของกุศลกรรมเนี่ยเสื่อมคุณภาพไปก่อนที่จะถึงกําหนดเวลาแม้จะล่วงไปหลายร้อยพบหลายแสนพบถ้ากรรมนั้นยังไม่หมดโอกาสส่งผลเมื่อมีโอกาสเหมาะในการในพบชาติใดแล้วก็ในสถานที่ใดพวกเขาจะส่งผลในพบชาตินั้นสถานที่นั้นทั้งในปฏิสนธิการคือขณะเกิดคือากอารน้ำสัตว์นั้นและบุคคลต่างๆเนี่ยให้เกิด และในปฏิการในขณะที่เกิดขึ้นในภพชาตินั้นๆแล้วย่อมให้ได้รับรู้อารมณ์ทางทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสมควรแก่หน้าที่ของวิบากจิตนจนบุคคลนั้นเข้าถึงพระนิพพานได้เลยขนาดนั้นก็แปลว่าเขาไม่เสื่อมเลยเวลาให้ผลเขาไม่เสื่อมเสียคุณภาพเลยเรานึกว่าโอ้ที่เราไปทำชั่วเขาไว้เนี่ยนมันเสื่อมเสียไปเองพอนานๆผลเราคิดอย่างนั้นใช่ไ ม, มันเก็บเชื้อไว้อย่างดีนะไอตัวพีชนานิทานกิจเก็บไวรอโอกาสจะนานขนาดไหนก็ได้เว้นว่าเราจะเข้านิพพานหนีก่อนเขาถึงจะไม่ให้ผลอ้าวยกตัวอย่างเออพระโมคคาหนะเาเพรกะโมคคาหนาเนี่ยไปทำกรรมที่เกี่ยวกับฆ่า พ, พ่อทุกพ่อทุกแม่ว้โอ้ยโดน หนักมากอันันตเรกกรรมเนี่ยกรรมนี้มีโอกาสเมื่อไหรให้ผลตลอดไม่เคยหยุดการให้ผลเลยเห็นไหมไอ้กรรมที่เป็นอ布าปราณ์เนี่ยให้ผลตั้งแต่พบที่สามมิต้นใบโยคูไปเกิดในที่ไหนก็ตามจิกตลอดแม้ให้มาเป็นพระอรหันแล้วดูดิอักษ ร, รกรรมนั้นยังตามจิกทําให้โจรก็ตามทุบเลยที่ส่วนจริงก็ต้องให้โจรทุบ หนีไม่ได้ในขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ท่านปรินิพานแล้วกรรตามได้อีกไหมเนนตามได้ไหมเพราะอะไรไม่มีกระแสชีวิตจิตใจที่จะให้อกุศลกรรมให้ผลแล้วนี่มันการกุศลอกุศลเป็นแบบนี้เวลาทาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นสังวิธานกิจแล้วเนี่ยคือจะแจงปรุงแต่งให้กรรมสำเร็จแล้วก็จะเป็นพรีชนณิธานกิจคือเก็บเชื้อของกรรมไว้เราการส่งผล คนจะเกิดอีกร้อยชาติหลายร้อยชาติทั้งหลายมันก็จะเก็บไว้มีโอกาสผลิตอุ้ยบาคให้ทันทีเลยทั้งดีและไม่ดีนี่แหละเราจึงต้องเตรียมตัวต้อนรับมันตลอดยังยังไม่ความาดโอ้โหฮะเตรียมตัวเลยใช่ไหม ถ้ามันจะมาให้ถ้ามันจะมาส่งผลเนี่ยยิ้มรับไหมยิ้มได้ที่ไหนแล้วโดนดา่าปาบะปาบยิ้มรับได้ไหมแล้วไม่ได้น่ยตัวผีชันนิทาน ก, กิจนี่โอ้หมันเก็บเชื้อของกรรมไว้เล ย, เลยไว้รอการส่งผลเ น, เนี่ยเป็นอย่างนี้นะ อา้าวตอนนี้ดูรายละเอียดตรงนี้ทั้งสังวิธานกิจจากกับผีชนะกิจจากพอสมควรแล้วต่อไปก็ดูความหมายพื้นพื้ น, นที่ทําความเข้าใจที่ยังไม่ลึกลงไปหน่อยเดี๋ยวค่อยเจาะในเรื่องลึกๆเรื่องมันเยอะพพูดเรื่องกรรมเนี่ยโอ้เรื่องเยอะมากแหมไม่พูดเรื่องนี้ไม่รู้จะแม้แต่ตั้งหลักที่จะพูดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยาวเลยเหนื่อยแทนพวกเราเลยเอา้า กรรมเนี่ยเป็นฐานะเป็นกฎความจริงธรรมชาติอย่างหนึ่งไหมกรรมนี่เป็นส่วนของเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะวะตะวนสเนี่ยกิเลสสวัตวนคือกิเลสกรร ม, มวัดวนคือกรรมแล้ววิปากวัดวนคือกิเลสเอีกวนคือวิบากเนี่ยพอมีกิเลสใช่ไหมก็ทํากรรมไหมก็ไปเรียนทำกรรมพอทํากรรมก็ได้ วิบากก็วนๆอยู่เนี่ยนั้นตามหลักปฏิจจสมุบัทก็คือว่าให้พิจารณาแง่ของกระบวนการของธรรมชาติว่าทั้ ว, วตัวกฎหรือตัวสภาวะล้วนๆเนี่ยเป็นการมองอย่างกว้างๆก็คือตลอดกระบวนการเนี่ยไม่เน้นที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะแต่ในทางปฏิบัติก็คือมองในแง่ของความเป็นไปของการดําเนินชีวิตเนี่ยจิตใจเนี่ยหรือกระแสชีวิตที่มันหมุนไปตลอดเวลานเนี่ยมันก็หมุนมันไปอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวเป็นกิเลส ทำกรรมได้รับวิบากมันหมุนมันอยู่อย่างนี้นะคือกระแสของขันธะอายุชนนะฉะนั้นกรรมจึงกลายเป็นในฐานะเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วยพุทธศาสนาสอนความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สิ่งของเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเนี่ยเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่ก็ตามทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดาของเหตุปัจจัยอย่าพุทธศาสนาสอนในเรื่องนี้ เป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์นั้นธรรมดาที่ธรรมดาที่ว่าเนี้มองด้ยสายตาของมนุษย์ก็ชื่อว่ากฎของธรรมชาติภาษาบาลีก็เรียกนิยามนิยามก็แปลว่ากําหนดอันแน่นอนนิยามะเนี่ยเป็นว่ากําหนดอันแน่นอนทํานองเดียวกันกับแนวทางที่แน่นอนหรือความเป็นไปอันมีระเบียบที่แน่นอนเพราะปรากฏให้เห็นว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นแน่นอน กฎธรรมชาติหรือนิยามเนี่ยแม้จะมีรักษาทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดคือความเป็นธรรมดาของเหตุและปัจจัยแต่ถ้าแยกออกในคำสอนพุทธพุทธยาวแยกออกอธถกธาก็เชื่อขยายเนี่ยนะมี5อย่าง 1. อุตุนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับปรากฏการฝ่ายวัตถุอันนี้เป็นอันนี้เฉพาะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยความเปลี่ยนแปลงเช่นลมฟ้าอากาศฤดู หนาวดูร้อนหรือดูฝนฝนตกฟ้าร้องเนี่ยการที่ดอกหลักดอกบัวบานกลางวันหุบกลางคืนก็ เ, เห็นดอกทานตะวันัหมดอกทานตะวันเนี่ยเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็จะหมุนตามเนียเนี่ยถือว่าการที่คนเราไอาหรือจามหรือสิ่งทั้งหลายที่มันผุพังเน่าเปื่อยเป็นต้นเหล่านี้ ความคิดของท่านมุ่งหมายผันแปรเกี่ยวกับความร้อนและอุณหภูมิตั้งหลายเ่อนี้อันนี้ก็อุตุอุตุเนี่ยมันเป็นกฎธรรมดากฎธรรมชาตินะนีมันมีมันตลอดไหมมันเกิดไปตามเหตุปัจจัยหรือใครโดนบดานมีคนโดนบดานไหมให้เกิดหรดูหนาวหรดูร้อนหรือดูฝนมีคนบดานไหมเนี่ยฝนตกฟ้าร้องมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ นี่ทั้งด้านวัตถุนี่เข้าใจเรื่องหนึ่สองพีชานิยามก็คือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับารสืบพันธุ์หรือเรื่องพันธุกรรมพืชอะไรเงี้ยนะที่บอกว่าพืชเช่นใดก็เป็นผลเช่นนั้นมะม่วงก็ออกผลเป็นมะม่วงเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นพีชะพีชะยังรวมถึงกฎพันธุกรรมด้วยนะ เออทาไมกลุ่มโซนคนเอเชียทําไมมีลักษณะโครงสร้างใบหน้าแบบนี้แบบนี้เป็นพีชะเ น, นี้ยเนี่มกลุ่มพันธุกรรมเนี่ยกลุ่มดี A กลุ่มอะไรพวกเนี้ยในกลุ่มพันธุกรรมว่างั้นเนี่ยนั้นใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้ามาเกิดในคนกลุ่มเนี้ยมันก็จะมีผิวพรรณแบบเนี้ยใครจะต่ำต่อยยังไงมาเกิดในคนกลุ่มนี้จะมีผิวพรรณมีหน้าตามีลักษณะอย่างนี้เป็นตัวนิยโกโกดพีชานิยามประการที่สามจิตตนิยาม กฎธรรมดาการทํางานของจิตโอ้การทํางานของจิตเนี่ยอันนี้เป็นกฎความจริงเลยนะ<ม>อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลามีจักุประษาศสีสิ่งเรา้าคืออารมณ์เนี่ยมกระเท่ากับประสาทมีจกักรพรรษ์เป็นต้นอะไร เ, เนี่ยมีการสัมผัสกันขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วเมือมีการกระทาะกันขึ้นมาจิตทํางานทันทีจิตทํางา น, น, งานเหมือนเนี่ยเสียงเลยนะ เสียงที่กำลังพูดไปปุ๊บเนี่ยพอไปกระทบกับเสียงกัโสตประสาทกระทบกันปุ๊บเกิดการพัดสะึ้นมาปุ๊บโอ้โหโเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยกันนะปัญจทวารเราชนะเอาจากจิตที่เป็นผวาเนี่ยนะตื่นออกจากผวาเนี่ยตกผันแปรดับไปเป็นปัญจทวารเราชนะอวชนะเสียงกันดีโสตวิ ญ, ญญาณก็รับเสียงสัมปติชนะก็นะโสตวิ ญ, ญญาณก็ได้ยินเสียงสัมปติชนะก็รับเสียงสันติราชนะก็ไตรตัวไตร ไต่สวนเสียงนั้นพระธรรมนั้นก็ตัดสินชาวนะก็เกิดดับสืบต่อแต่ธรรมแะก็รับอารมณ์คือเสียงนั้นแล้วก็ลงระวังต่อนี่จิตทุกขณะเนี่ยมันทำหน้าที่มันตลอดเวลาเลยเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบมีเหตุปัจจัยทั้งหลายเกิดขึ้นจิตก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่อาวชนะทําหน้าที่เห็นทําหน้าที่ได้ยินทําหน้าที่ได้กลิ่นทําหน้าที่ลิ้มรสทําหน้าที่สัมผัสถูกต้องทําหน้าที่คิดนึกทั้งหลายแล้วก็ตัดสินอารมณ์สู่เป็นชาวนะชอบไม่ชอบ แล้วก็เวนต์าลามนะรับอารมณ์ต่อจากชาวนานั้นๆกระบวนการของการทําหน้าที่ของจิตเป็นแบบนี้เขาเรียกจิตตนิยามใครเป็นบังคับคอนโทรลไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าสั่งสมอัตยาศัยที่โลภไว้ความโลภก็จะเกิดเป็นอัตยาศัยสั่งสมอัตยาศัยโกรธไว้ความโกรธก็จะสั่งสมเป็นอัธยาศัยสั่งสมโมหะไว้อัตยาศัยโมหะก็จะสั่งสมสั่งสมความไม่โลภความไม่โกรธหรือปัญญาเข้าไว้เนี่ยอัธยาศัยก็จะถูกสืบต่อสัญติสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา เนี่นกระจิตแตนิยามมันทําหน้าที่ยังมันตลอดไหมทํำไม่ทําเออเดี๋ยวนี้ก็มาดูว่ายังสมณเะ เ, เนี่ยถามว่าระหว่างจิตลงผวังกับขึ้นผวังเนี่ยลงผวังน้อยกว่าไหมไม่แน่หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผวังไม่ตไม่ต่อเนื่อง คนบางคนถึงเวลาปุ๊บเขากําหนดจะนอนเนี่ยนะจะหลับ เ, เขาสามารถลงรวังได้ยาวแล้วไม่ไม่ขึ้นเลยเพราะเขาสามคือเขาเข้าใจเหตุปัจจัยพอฉลาดในเหตุปัจจัยปุ๊บถึงเวลาจะพักก็พักพักได้อย่างสงบนิ่งลงรวังได้อารมณ์ปุ๊บมีอะไรมากระเล้าเรื่องใดก็ตื่นขึ้นมาก็รับอารมณ์ลงรวังตื่นเนี่ยทำจิตของตนเองฉะนั้นกระแสจิตเนี่ย กระแสของจิตตนิยามมันทําหน้าที่ตลอดแม้ผวังก็ทําหน้าที่ในการรักษาแล้วมีกรรมอารมณ์กรรมนิวิตกตินิวิตอย่างใดอย่างหนึ่งน่าศึกษาไหมเรื่องกระแสของความคิดน่ า, นาศึกษาหรือไม่น่าศึกษาจริงจิงน่าศึกษาเดี๋ยวออกพรรษา ม, มีเวลาก็ได้ศึกษาแต่นี้โอ้โหจะได้รู้จิตตนิยามเป็นแบบนี้อภิการที่สี่ก็คือกรรมนิยามนี่จะไปไม่ไปไรายละเอียดเยอะ ธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือกระบวนการอย่างการกระทําคําพูดและการให้ผลการกระทําหรือคําพูดจำเพาะเจาะลงไปที่ว่ากระบวนการอย่างเจตจํานงความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆหรือความคิดทําลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนื่องออกากการสอดคล้องสมกันคือเช่นทํากรรมดีมีผลดีทำกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นต้นเหล่าเนี้อันนี้เป็นกรรมมณยาม ถาว่ากรรมนิยามเนี่ยเราทํากันตลอดไหมเป็นความแน่นอนของการทํากรรมตลอดเวลาเลยไหมตอนนี้กำร้องทำกรรมอยู่ปะกุศลกรรมเลือกกุศลกรรมทั้งง่วงซึมเศร้าเหงาหงอยเป็นเว็นอกุศลใช่ไหมบอมตอนนี้เป็นกุศลเลือกกุศลเป็นกุศลเลือกศลเฮ้ยต้องรู้ที่สภาพจิตเป็นยังไงปลอดโป่งโล่งเบาหรือเศร้าหมองก็หงายเหงา เป็นยังไงเป็นยังไงแล้วต้องสัง เ, ตเกตเอเมมนิยามก็ทำกิจของเขาประการสุดท้ายเนี่ยทำมนิยามอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกกันว่าความเป็นไปทำธรรมดาที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา คนทั้งหลายก็มีแก่เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุไขประมาณ100ปีไม่ว่าพระเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามย่อมเป็นไต่ธรรมธรรมดาของสิ่งทั้งหลายาไม่เที่ยงถูกปะใจัยุ่งแต่งเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาดังนี้เนี่ยอันนี้ชัดเลยในบรรดานิยามทั้ง5เนี่ยอะไรเป็นนิยามที่ใหญ่ที่สุดอุตุนิยามกฎของพืชพันธ์กฎของความเย็นร้อน ขีธัญามกฎของพันธุ ก, กรรมจิตนิยามกระบวนการการทำงานจิตกรรมนิยามกระบวนการความเป็นไปของเจตจำนงแล้วก็ธรรมนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรใหญ่ที่สุดเห็นไมมารวมนี้ข้อสุดท้ายหมดเลยนั้นกระบวนการสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกฎ4กฎอย่างแรกตั้งแต่กุฏูนิยามพีทัญาอุตุยามกรรมนิยามเนี่ย มารวมลงที่ข้อที่ห้าคือธรรมนิยามทั้งหมดจาแนกออกไปเป็นธรรมนิยามนั่นเองเนี่ยนะั้นธรรมนิยามก็มีการคุมข้อสุดท้ายคุมทั้งหมดไว้เลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมีสงสัยอะไรไหมสงสัยเรื่องพวกนี้ไหมผมไม่สงสัยพวกเราชัดมากเลยนะในธรรมดานเนี่ยเข้าใจพวกนี้ธรรมดาไหมเนี่ย อาดูเจตนาต่อดูเจตนาต่อไ อ, อตัวเจตนาหกอันนี้เป็นเจตนาเหมือนกันเป็นสังการละขันก็กองแห่งสังขารหรือเป็นสภ า, สาวะธรรมที่เกิดกับจิตนี่แหละ เป็นประธานในการปุงแต่งให้ดีและให้ชั่วเนี่ยหกประการรูปประสันเจตนาความมุ่งหมายหรือจงใจต่อรูปที่มาปรากฏทางจักรคุธวานต่างๆถ้ารูปนั้นเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเจตนาก็ปุงแต่งจิตกระตุ้นเตือนสัญญาให้เกิดการจำและทําความสำคัญหมายต่อรูปนั้นก็ชื่นชมหรือเพื่อให้ครอบครองหรือขวนขวายที่จะได้รูปนั้นเห็นรูปนั้นบ่อย ไอ้สามีที่ทำก็ทําหน้าที่ประร้าปรโรมทําให้เกิดความสดชื่นเบิกบานแต่ถ้ารูปนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจแต่เป็นอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมากเจตนาก็กระตุ้นเตือนให้เกิดความจําและกระทาความสําคัญต่อรูปนั้นว่าน่าเกลียดหน้ากลัวและหน่าทําลายให้ย่อยยับเพื่อไม่ให้มีภัยแก่จากรูปนั้นเนี่ยตลอดถึงสิ่งของลักหนักคล้ายๆกันอย่างนี้เป็นต้นบ่อยไหมจำเลยรูก ใช่ไหมมันจะจําในทางที่ดีกับที่ชอบกับไม่ชอบไอ้นี่สัญไอ้สัญชาตญาณชัดๆเลยเนี่ยความรู้สึกล้วนๆรือเห็นปั๊บเนี่ยชอบไม่ชอบนี่เจตนี่รูปสัญเจตนาก็ปรุงแต่งได้ยินเสียงปับป๊บก็ศัทธาสัญเจตนาก็ปิดปรุงแต่งเสียงชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบกลุ่มโลภะไม่ชอบกลุ่มโทสะคันท้สัญเจตนากลิ่นที่ชอบหรือไม่ชอบก็ไปปรุงแต่งนะราคะโทสะหรือโมอหะก็ว่าไป รสศาสัญเจตนาก็ปรุงแต่งรถที่ชอบและไม่ชอบโลิตภัสัญเจตนาก็ปรุงแต่งโลิตภัและธรรมสัญเจตนาก็ปรุงแต่งจงใจต่ออารมณ์ที่มาปรากฏทางมโนทวารตั้งใจเลยนะถ้าเป็นอิทธารมรู้สึกยินดีน่าปรารถนาเกิดความชอบก็หลงไหลปรารถนาอยากจะได้สัตว์สิ่งของหรือเป็นต้นหเหล่านี้มาเป็นตนเองถ้าเป็นอานิถารมหรือตอนเองไม่ชอบนะสียใจสีเอียนเบื่อหน่ายอยากจะ สะดุ้งหวาดกลัวอยากจะทำลายพิณโตเหล่านี้ในวิสุตติมารพุทธคุโศจอาจารย์อธิบายว่าสังขารว่าสังขารทั้งหลายแม้เป็นอย่างเดียวในลักษณะจริงแต่ว่าโดยธรรมชาติก็คือกุศลอกุศลอภิยกตะสังขารที่สัมยุต์ด้วยกุศลวิญญาณกุศลจิตจัดเป็นกุศลสังขารสังขารที่สัมยุต์ด้วยอกุศลวิญญาณเป็นอกุศลจิตจะจัดเป็นอกุศลสังขารสังขารที่สัมยุตด้วยอภิยกตะวิญญาณเป็นนิบาศกริยาก็เป็นอัพยากตะสังขารว่าไป อดูในเจตนาสูตรในเจตนาสูตรกว่าที่จริงในสูตรเนี่ยเกี่ยวกับท่านแสดงกระบวนการความเป็นไปของกรรมและของเจตนาเป็นต้นด้วยอตอนนี้สรุปดีกว่านะอย่าเพิ่งเอาในสูตรนี้มานั่นจะกล่าวให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจให้ชัดในเรื่องของเจตนาเจจมนงเน้นนะรายละเอียดเยอะความหมายของกรรมนิดนึง กรรมเนี่ยหมายแปลว่าการงานเนาะหรือแปลว่าการกระทาแต่ในทางธรรมก็จำกัดเฉพาะเจาะลงไปหมายถึงการกระทาที่ประกอบไปด้วยเจตนาหรือการกระทาที่เป็นไปด้วยความจงใจถ้าเป็นการกระทาที่ไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่ากรรมในความหมายของธรรมะทีนี้ในความหมายเนี่ยถ้ามองคุมค้มคุ้มให้กว้างก็จะเห็นชัดนะให้พิจารณาแยก เมื่อมองถึงตัวแท้จริงของกรรมหรือมองให้ถึงต้นตอเนี่ยมองไปที่ตัวไหนต้นตอของกรรมชายมองไปที่เจตนาเจตจํานงจงใจนี่แหละการคัดตัดสินการมุ่งหมายที่จะกระทำเนี่ยหรือพลังที่เป็นตัวนำแห่งการกระทําทั้งหมดนั้นเจตนานเนี่ยเป็นตัวนําบ่งชี้ความมุ่งหมายและการกําหนดทิศ ท, ทางแหการกระทำของของมนุษย์ด้วยอย่างที่บอกมาสักครู่เจตนาหางพิเกเวกำมังไว้ทามีเนี่ย นั่ตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกชัดเลยตอนนี้เรามีเจตนาอย่างไง ม, มีเจตนาใช่อ่าเป็นเจตนาที่แข็งแรงไหมเป็นไปกับความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเป็นไปกับความเพียรหรือความเกียจข้า เป็นไปกับสติหรือรุนเปือเรือนหลงหลงลืมเป็นมุธตสติเป็นไปกับสมาธิหรือเป็นไปกับความฟงซ่าเป็นไปกับปัญญาหรือเป็นไปกับโมหะในเจตนากระตุ้นได้คนจะกระตุ้นกลุ่มไหนคนจะมีเจตจำนงกลุ่มไหนถ้าเป็นคนที่มีเจตนาไม่ชัดเจนมีเจตจำนงที่ไม่แข็งแรงไม่ไม่ไม่ก็จะเป็นเลื่อนลอยโมหะกิน แล้วก็กลายเป็นคนมีบุคลิกภาพแบบนั้นมาตลอดเลยแล้วก็จะสั่งสมอัธยาศัยบุคลิกภาพแบบนั้นออกมานั้นเกิดจากผลของเจตนาผลการกระทำมนุษย์จะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวไหนกันแน่เจตจำนงนี่แหละแล้วจะเป็นคนเคร่งเครียดะจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบไหนหรือไม่แบบไหนการงานการกระทาทั้งหลายเนี่ยเจตนาเป็นตัวกำหนดเลย เราจะเรื่อยๆเอื่อยๆทั้งหลายเนี่ยก็เจตนาเนี่ยเป็นตัวกําหนดทั้งหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้นะเราจะสร้างบุคลิกภาพอย่างไรก็ได้นะสร้างตนเองให้เป็นคนมีบุคลิกภาพหน้าตายังไงการกระทํำยังไงเป็นต้นก็ได้ใช่ไหมนั้นถ้ามองขยายไปจริงๆเราจะเห็นชัดโอ้เจตนาที่เรียกว่ากรรมมุ่งบุคคลที่จงใจแล้วกระทำการกระทําด้วยกายได้ ว, วาจาได้ด้วยใจคือบุคคลเมื่อเกิด คิดปรุงแต่งแล้วเนี่ยก็มีการผักออกมาเป็นการกระทาทางกายวาจาและจิตใจเป็นต้นเหลเนียมันมีผลมากเลยนะทั้งดีและไม่ดีเนี่ยถ้ามองขยายออกไปในตัวการอื่นๆคือมองไปในภายในกระบวนการห่งชีวิตจิตใจของบุคคลแต่ละคนเนี่ยจะเห็นกรรมในแง่ตัวประกอบที่มีส่วนร่วมในกระบวนการของชีวิตนี ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในการปรุงแต่งโครงสร้างและวิถีชีวิตที่จะดําเนินไปของชีวิตนะั้กรรมในแง่แง่เนี้ยตรงกับคําว่าสังขารเช่นอย่างที่บอกว่าในปฏิจจสมบัติที่แปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตเป็นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของจิตมีเจตนาเป็นต้นเป็นตัวนำเนี่ยแต่งจิตให้ดีหรือให้ชั่วหรือให้เป็นกลางกลางปรุงแต่งการตรึกการตรองการคิดนึกเนี่ยที่มันแสดงออกมาทางกายทางวาจารกรรมเนี่ยนะเป็นกรรมแบบต่างๆ แปลง่ายๆก็หมายความการคิดปรุงแต่งในความหมายในแง่นี้ก็คือยึดเอาเจตนานั่นเองเป็นหลักบางครั้งก็แปลแบบง่ายๆก็รวบรัฐวัตสังขารก็คือเจตนานั่นเองนี่เป็นการปรุงนี่มองในด้านของว่าตัวเจตนาตัวเดียวก่อนแล้วก็มัวตรตัวสังขารที่เป็นตัวปรุงแต่งสภาวธรรมอื่นๆโอ้โหตอนนี้เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราใช้หรือเราเราไม่เข้าใจกระ บ, บวนการของเจเจตนาในแง่ของตัวปรุงแต่งเนี่ยเราจะ เข้าใจชีวิตผิดพลาดเลยชีวิตที่ผิดพลาดมาทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงแต่งผิดตลอดเรามักจะให้เจตนาไปมีอีทธิพลในการปรุงแต่งบาปปรุงแต่งทุกปรุงแต่งความเดือดร้อนปรุงแต่งความกดกัดกรุ้มปรุงแต่งเรื่องเลวไหลไร้สาระปรุงแต่งเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันไปต่างๆน า, น า, น า, นาน่นนเนี่ยเราใช้เจตนาผิดพลาดเพราะเราไม่รู้ แล้วมนุษย์ก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นเกันเนี่ยพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนี่กระบวนการแห่งการที่เป็นให้เจตนาเนี่ยไปผสมลงกับเจตเจตสัตย์กรรมอื่นๆคุณภาพของสมิธทำอื่นๆมันก็เลยปร่งออกมากลายเป็นบุคลิกภาพอย่างที่เราเห็นเกันทุกวันนี้แหละจริงไหมบอมจริงไม่จริงเนี่ยเหมือนบอมที่เป็นแบบนี้ไนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยยอนซวันที่เป็นอย่างนี้หรือแต่ละคนที่เป็นอย่างนี้อันนี้ใครเป็นตัว เป็นเจ้าการใหญ่เจตนาเป็นเจ้าการใหญ่เลยที่ทําให้เราเป็นคนกระจอกงอกง่อยหรือว่าดูองอาจคนบางคนดูกระจอกนะเป็นกระจอกกลายเป็นคนอ่อนน้อมไม่อ่อนน้อมแข็งกระด้างหรือไม่แข็งกระด้างขี้โกดหรือเป็นคนโลภจัดหรือเป็นคนมัวเมาลุ่มหลงหรือเป็นคนที่เมตตากรุณามุติตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสภาพที่มันเป็นไปในลักษณะนี้เป็นการปรุงแต่งล้วนๆเลย ฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะปรุงแต่งให้เราเป็นยังไงได้ไหมได้หมดไหมแล้วเราเคยคิดหรื อ, อยังว่าเราอยากจะเป็นยังไงแล้วกำลังจะใช้เจตนาในทางที่ผิดที่ถูกยังไงเนี่ยเราเคยวางแผนชีวิตแบบนี้ไหมเคยไม่เค ย, ย, เคยอ๋อได้หรื อ, อยังได้ได้ได้รูปแบบของตัวเองหรื อ, อยังยังเลยดิ ใช้เวลานานยถ้ามองเลยออกไปข้างนอกเล็กน้อยก็จะมองในแง่ของชีวิตที่สำเร็จรูปเป็นหน่วยหนึ่งหนึ่งหรือมองชีวิตด้านนอกเป็นหน่วยรวมหน่วยหนึ่งหนึ่งตามที่สมมติเรียกว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้หนึ่งเนี่ยบุคคลผู้หนึ่งซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเป็นเจ้าของบทบาทของตนเองอยู่แล้วใช่ไหมในแง่นีน้คือการทำการพูดการคิดการคิดนึก และการแสดงออกมาทางกายกับวาจาและพฤติกรรมทั้งหลายตัวเองต่างๆซึ่งบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับผลส่วนตัวไม่ว่าจะมองแบบแคบๆเฉพาะหน้าหรือมองกว้างออกไปในอดีตและอนาคตนี่นเห็นแล้มันแสดงออกมาแล้วกรรมในความหมายนี้เข้ากับความหมายกว้างๆที่แสดงเป็นขั้นต้นก็คือเป็นแง่ของการที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดเพราะปรากฏในในคำสอนกขาบุคคลมุ่งให้บุคคลรับผิดชอบต่อกรรมต่อการกระทําของเขา พยายามประกอบแต่กรรมดีเช่นในพุทธพจน์บอกว่าภิกษูตรทั้งหลายทำสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดรนสประการคืออะไรบุคคลบางคนในโลกเป็นผู้มิให้ไม่ได้ทําความดีงามไว้ไม่ได้ทํากุศลไม่ได้ทําบุญซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านความขาดกัวไว้ทําแต่บาปทําแต่กรรมที่หยาบช้าทําแต่กรรมที่ร้ายกาจเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทําความดีไว้ดังนี้บ้างว่าเราได้ทําบาปไว้ดังนี้บ้างน่าสังเกตก็คือว่า ถ้ามองในลักษณะอย่างนี purple, up, ้นะเน้นในแง่อดีตถ้ามองกว้างออกไปคือการมองแง่กรรมของมนุษย์ได้แก่กรรมในความหมายของการประกอบอาชีพการงานก็มีนะเช่นยังไงการดำเนินชีวิตต่างๆของมนุษย์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเจตเจตจำนงหรือความคิดปรุงแต่งนี่นะเช่นก็คือทำให้เกิดความเป็นไปในสังคมอย่างที่เป็นกันอยู่เช่น พุทธพจน์ที่บอกในเวสเดษถาสูตรวาเสษฐาสูตรที่บอกว่าดูก่อนวาเสษฐาท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยรักโคลักะกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์เนี่ยโคลกขกรรมรู้รู้ยังไหมรู้ยังไหมผู้ใดอาศัยโคลักะกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนารู้รู้จะคนี้ รู้หัหยรู้จักโครักกรรกมัหยรู้จักไหมอาศัยโคอาศัยวัวอาศัยควายไถนาเคยไหมเคยเห็นคนไถนาไหมเขาใช้โคใช้ควายเนี่ยไถถ้าใครอาศัยเนี่ยโคาสายวัวาสายควายเนี่ยเลี้ยงไอทำในการไปเลี้ยงชีพเช่นไปไถนาไปไถ ท, ทำอะไรเนี่ยก็เรียกชาวนาเป็นกรรมไหมเนี่ย ก็เป็นผลของกรรมของเขาก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเขามีเจตจํานงที่จะเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นก็เลยเป็นชาวนาพราะมีเจตนาที่จะอาศัยโครกกรรมเนี่ยเลี้ยงชีพอาศัยการการมีวัวมีควายแล้วก็ไปไถทำไร้ไถนาโดยเจตจํานงอย่างนั้นเขากรรมก็เลยให้ผลเขาเป็นชาวนาไม่ใช่พรามนี่ก็อแหละชาวนาผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆพวกนั้นก็เป็นศิลปิน น่อเอาเขียนว่าศิลปะต่างเช่นศิลป์นักลอ้อนักสแสดงนักเต้นเนี่ยเนี่ยเขเป็นศิลปินไม่ใช่พรามเขาเขามีเกจจำนองมีความจงใจตั้งใจที่จะเป็นศิลปินพอมีเกจจำนองจงใจตั้งใจที่จะทําการงานทํากิจกรรมอย่างนี้ปุ๊บเลยเรียกว่าพวกนี้เป็นศิลปินเน่ยเป็นเพราะกรรมเขาใช่ไหมผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พรามอย่างเดียวกัน ใช่ไหมเออเคยค้าขายไหมเออนี่อดีตเนี่ยเคยอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพคนคนนี้ก็เป็นพ่อค้าไม่ใช่เป็นพราม์หรอกเจตจํานงใจตั้งใจที่จะไปค้าขายเขาก็เลยเป็นพ่อค้าผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้คนอื่นผู้นั้นก็เป็นคนรับใช้ก็ไม่ใช่พรามเหมือนกันใช่ไหม มีเกีจรตจำนวนมมีความจงใจที่จะไปรับใช้คนอื่นก็เลยกลายเป็นคนใช้ไปผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพมีไหมปนขโมยผู้นั้นเป็นอะไรเป็นโจรเป็นพรามหรือเปล่าเออเป็นโจรเพราะมีเกียตจํานมมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะไปลักของเขาเลี้ยงชีพหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพก็เลยกลายเป็นโจรผู้ใดอาศัยสอนอาศัยสตราอาศัยปืนเนี่ย อาศัยอาวุธในการเลี้ยงชีพผู้นั้นก็เป็นทหารอาชีพ <net> ใช่ไหมก็ไม่ใช่พรามเหมือนกันมีเจลียวจำนวนมีความจงใจตั้งใจจะเป็นทหารถือปืนแบกอาวุธเนี่ยอาวุธยุทธภพกรเป็นต้นเน่เลี้ยงชีพก็เลยกลายเป็นทหารเพราะงั้นจะผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรหิตปุโรหิตผู้นั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่การบูชา ก็ไม่ใช่พระเหมือนกันเป็นบุรุษิ์ใช่ไหมแต่อยู่ในราชาสำนักทั้งหลายเนี่ผู้ใดปกครองบ้านเมืองมีเกจตจำนงปกครองบ้านเมืองผู้นั้นก็เป็นราชาไม่ใช่พรามณ์ไม่ใช่พรมณ์มมแต่พระเจ้าบอกเราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่ยึดมั่นถือมั่น บุคคลที่สามารถกําจัดกิเลสออกได้หมดแล้วบุคคลนั้นนะ่ะเป็นพรามเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นพระอรหันต์อันเดียวกันคนไม่ใช่เป็นพรามเพราะชาติกําเนิดคือคนเนี่ยไม่ได้เป็นพรามหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะชาติกำเนิดนะจะเป็นพระอรหันต์เป็นพรามได้ก็เพราะกรรมไม่เป็นพรามได้ก็เพราะกรรม คนจะเป็นชาวนาก็ไม่ใช่ชาติกำเนิดจะเป็นชาวนาได้ก็เพราะกรรมจะไม่ไม่เป็นชาวนาก็เพราะกรรมใช่ไหมยิ่งไม่จริงเนี่ยการงานอาชีพและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้เป็นโจรเป็นทหารเป็นปุโรหิตแม้แต่เป็นราชาก็เพราะกรรมใช่ไหมใช่เพราะกรรมเพราะอะไร เพราะเจตจานงเพราะความจงใจเพราะความตั้งใจเริ่มมองเห็นได้ยังบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่ประชาก็ย่อมเป็นไปเพราะกรรมเออเริ่มเข้าใจตรงนี้ได้ยังเนี่ยเข้าใจว่าไงอ่ะจากพุทธพจน์ในวาสเศรษฐสูตร เข้าใจเย็นงงเลยไม่มีใจเย็นเลยเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเออต้องการจะมานวดมาบีบขาเขาเพราะมีเจตนานใช่ไหมเนี่ยอที่พ่อกำ เ, เป็นนักบวชนี่เป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะกรรมมีความจงใจตั้งใจที่จะเป็น จะเปลี่ยนเจตนาเมื่อไหร่ได้ไหมจะกลับไปเป็นขอทานตามถนนได้ไม่ได้ลองตั้งใจบ่อยๆที่เป็นขอทานมันก็อยู่ที่หน้าวัดนี่แล้ววะนั่นแหล ะ, ะ, ล ะ, ล ะ, ละสะพานลอยสะพานลอยนั่นแหละหากลาสักใบไปนั่งอยู่อาจจะเมฆในเมฆที่มันทําตัวมันอยู่ให้พราะอะไรเนี่ยเออพรเจตนา์ะอดีตกรรมหรือปัจจุบันกรรมเนี่ยเออปัจจุบันร โอยมีความจงใจตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแตนในอคัญญสูตรบอกว่าครั้งนั้นแหละพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันครั้งแล้วต่างก็ปรับทุ ก, กันว่าท่านเอยธรรมะชั่วร้ายทั้งหลายปรากฏขึ้นแล้วในหมู่สัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนออันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็ปรากฏมีการตีเตียนก็ปรากฏมีการพูดเท็จก็ปรากฏมี การถือไม้พรองก็ปรากฏมีอยากกันนั้นเลยเราจะเลือกตั้งคือสมมติสัตว์ผู้หนึ่งเนี่ยให้เป็นผู้ว่ากล่าวบุคคลที่ควรว่ากล่าวตักเตือนเป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวให้โดยชอบให้เป็นผู้ตําหนิบุคคลที่ควรตําหนิโดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ัแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พากันเข้าไปหาสัตว์ผู้สง่างามหน้าดูหน้าชม หน้าเลื่มใสหน้าเกรงขามยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นแจ้งความว่าท่านอาเทอือดท่านสัตว์ผู้เจริญนะท่านจงกล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวโดยชอบท่านจงตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิโดยชอบจงขับไล่บุคคลที่ควรขับไล่โดยชอบถึกพราะข้าพเจ้าจะแบ่งข้าวสาลีแก่ท่านสัตว์ผู้นั้นรับคำของสัตว์นั้นแล้วเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผู้ที่มหาชนเลือกตั้งดังนี้แล จึงเกิดท้ายคำว่ามหาสมมติขึ้นเป็นปฐมเนี่ย <c oughs> อันนี้มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาจากเจตนาของมนุษย์ใช่ไหมแต่ก่อนมันไม่มีการป้นการลักการขโมยกันแต่พอมันอยู่กันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยหมู่ชนมันมากกันขึ้นมาก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมา พอมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเหล่านี้ก็มีการที่บอกรักรัพย์เกิดขึ้นมาการติเตียนการพูดเท็จการถือไม้นความเดือดร้อนในชุมชนนั้นเกิดขึ้นมาแต่ก่อนมันไม่มีสมมุติมันไม่มีสมมุติมันอยู่กันแบบกฎตามธรรมชาตินี่แหละใครอยากจะทำอะไรก็ทำกันไปต่อมาเนี่ย ก็กลุ่มชนเหล่านี้ก็ไปไประชุมกันใช่ไหพอไปไประชุมกันขึ้นมาเบ็ดเสร็จก็เลยเออเจอสัตว์ที่สง่างามเนี่ยน่าดูน่าชมทั้งหลายเนี่ยว่าไ ง, งเธอเออสัตว์พวนี้น่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสและน่าเกงขามมีเนี่ยไปดูโอ้คนคนนี้ลักษณะท่าทางงามด้วยน่าเกงขามด้วยสง่างามด้วยและชานฉลาดด้วยเ อ, อเอาเอายี้ดีกว่า ไปเสนอสมมติเลือกตั้งท่านคนนี้ให้เป็นผู้นําสมมติให้เป็นผู้นําของถิ่นชน น, นั้นๆก็เรียกมาหาสมมติเป็นเป็นปฐมก็เลยกลายมีการบัญญัติว่าเออเนี่ยเห็นไหมจะเป็นท่านคนนั้นพอเขาสมมตปิปุ๊บก็เออเอาเราเราจะจัดเราจะเป็นตามที่ท่า น, น, นก็เลยมีเจตจํานงมีความจงใจ ว่าจะเป็นอย่างที่ท่านต้องการก็เลยมีคําว่าพระเจ้ามหาสมมติขึ้นเป็นปฐมเป็นครั้งแรกของโลกของจักรวาล น, นี้ <c oughs> มันก็เลยมีการมีสองกฎซ้อนกันแล้เนี่ยกฎความจริงแต่นี่ก็มีกฎสมมุติขึ้นมาใหม่ๆสมมติมันน้อยมองเห็นนี่เนี่ะกฎสมมุติมันขึ้นมาแล้วเ อ, อตั้งคนนี้เป็นสมมุติขึ้นมาแต่ก่อนมันมีที่ไหน คนคนนี้เป็นราชาคนนี้เป็นปุโรหิตคนนี้เป็นชาวนาคนนี้เป็นทหารตำรวจเป็นโจรไม่ได้มีการสมมุติกันอย่างั้นเถอะมันอยู่กับกฎความจริงกันไม่ได้มีสมมุติแต่พอต่อมาอย่างเงี้ยเองเหมมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็เลยสมมุติสมมติก็มีวัตถุประสงค์กันชัดเขาก็ไม่หลงสมมติกันในใหม่หมนี่นะไม่ได้หลงสมมติเรา ก็เป็นกติกากันตั้งกันขึ้นมาคำว่ายอมวัดนี่สมมติไหมวายะวจารย์นี่สมมติไหมพิกษูรนี่สมมติไหมสมเด็นี่สมมติไหมแต่เป็นสมมุติแล้วเนี่ยต้องทำต้องมีหน้าที่ในการนี่จะทำจริงไม่ใช่อยู่เอาแต่สมมุติแต่ไม่ทำหน้าที่ต่ไม่ทำกรรมให้ถูกต้องหรือสอดคล้องกับสมมตินั้น มีเยอะไหมคนบางคนอยู่ในสมมุตินั้นแต่ไม่ทํากรรมให้เหมาะให้สมกับการที่อยู่ในสมมตินั้นเช่นก็สมมุติเราเป็นพ่อสมมุติเราเป็นแม่เลอะเทอะเป็นภรรยาเป็นสามีเลอะเทอะเป็นลูกก็บเลอะเทอะเนี่ยนะทำกรรมที่ไม่เหมาะไม่สมกับความเป็นลูกอเราเคยเป็นมาอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราเป็นลูกแต่ตอนนี้สมมุติเป็นเป็นพระเป็นสมมาเนนใช่ไหม ตอนที่เป็นลูกทากรรมให้เหมาะสมกับความเป็นลูกไหมทาหรือไม่ทาท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทําไหมข้อนี้ทําไหมได้ทําหรือไม่ได้ทากิจของท่านได้ทําไหมดารงวงตระกูลทาหรือไม่ทา ได้ทำข้อนี้เข้าใจคานี้ไหมคำว่าดำรงวงตระกูลรักษาวงตระกูลนั้นไม่ให้เสื่อมเสียทํำไหมทําหมปะทาตัวให้เหมาะสมกับการเบญทาญาทที่ดีทํำไหมเมื่อท่านลงแล้วทำบุญดูทิศเนี่ยก็คือมีหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่มีรายละเล อ, อ, อียดอีกเยอะอ้าวแต่นี้พอว่าอยู่ในฐานะเป็นนักบวชปุ๊บยังต้องทําไห้ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านต่อยังต้องทอําเยอะปะ ทำหรือไม่ทำไม่ทำแล้วมาทำหน้าที่อะไรแั่เนี้ยโอ้โหแต่เนี้ยแล้วทำสมบูรณ์ไหมไม่เลยทำไงเนี่ยเป็นคารวะก็ทำหน้าที่ทำกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่คือสมมุตินั้นนั้นพอมาสมมุติเป็นนักบวชขึ้นมาเอา้าก็ทำหน้าที่ไม่เหมาะสมไอ้ทำกรรมไม่เหมาะสมกับการที่ได้รับสมมตินั้นั้นแล้วตกลงเราจะไปเป็นอะไรดีแต่นเนี้ยนะเป็นอะไรดี อนจจะสมมติใหม่ดีไหมเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยเราก็อยู่ตรงไหนบางทีก็หลุดก็ยังสําคัญตัวเองผิดยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยโอเจตนามันไปกับโมหะเป็นไปกับอกุศลบางทีก็เสียหายเยอะเลยเนะหลงไม่กระทั่งสมมุติเลยเคยเคยเค ย, เคยเห็นบางคนหลงเลย พิกษุทั้งหลายโดยในนั่นแหละเมื่อผู้ปกครองแผ่นดินไม่จัดเสริมเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนทั้งหลายผู้ไร้ทรัพย์ความยากจนก็ถึงความแพร่หลายเมื่อความยากจนถึงความแพร่หลายการรักทรัพย์ก็ถึงความแพร่หลายเมื่อการลักทรัพย์ถึงความแพร่หลายสตราก็ถึงความแพร่หลายเมื่อสตราวุฒถึงความแพร่หลายการฆ่าฟันกัน การสังหารการบานานิบาตก็ถึงความแพร่หลายเมื่อการฆ่าปันการทำบานานบาตถึงความแพร่หลายการพูดเท็จก็ถึงความแพร่หลา ย, ก า, ก, าลายการพูดส่อเสียดการพูดการเมสุมิชาจาันธรรมะสองอย่างคือพระสวัส์และการพูดเพื่อเจออภิชาและพยาบาทวิชาทิฏฐิก็ถึงความแพร่หลายเป็นต้นเนี่ยหลักการในทั้งหลายเหล่านี้เป็นอะไรเนี่ยเจตนานี่เองเมื่อเจตนามันผิดพลาดไปมันก็หมุนไปองค์วงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรของกรรม สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็อยู่ที่ตัวนี้แหละเป็นตัวกําหนดใช่มโนกรรมไหมเนี่ยมโนกรรมที่มันเป็นอกุศลเป็นตัวกําหนดทําให้สถานการณ์ชุมชนเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะพังกันเป็นแถวเป็นแนวหมดเลยแต่ถ้ามโนกรรมเนี่ยมันเป็นกุศลมันมันเป็นปัจจัยต่อตนเองไม่พอนีมันก็เอื้อไปถึงทําให้สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยสงบรลมเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นต้นด้วยโอหอัน อนุภาพของมโนกรรมนี่ยิ่งใหญ่ไหมเนี่ยยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันไหนสําคัญที่สุดอะไรสําคัญที่สุดมโนกรรมนะเนั้นพวกเราที่มีพฤติกรรมมีการกระทํามีกรรมพูดคำคิดทั้งหลายเป็นไปอย่างเงี้ยอะไรเป็นตัวกําหนดกระแสชีวิตของพวกเราอยู่ตัวมโนกรรมเป็นกุศลมโนกรรมหรืออกุศลมโนกรรมหรือมโนกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่ก็มีบทบาทต่อชีวิตเราตอนเนี้ย เป็นเจตนาเป็นมาเป็นมโนกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลโดยส่วนใหญ่เอาพอรู้อย่างันจะพังไหมอย่างเงี้ยชีวิตเน่ยเราก็วิบัติทีอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องรีบแก้ไขไหมแก้ไขโดยการทํามโนกรรมให้เป็นกุศลมันจะได้ส่งเสริมชีวิตจิตใจให้เข้าถึงความดีงามเป็นต้นเหล่านี้มองมองเห็นหรือยังเริ่มเริมเริ่ ม, มจะค่อยๆเข้าใจหรือยังเนี่ยตอนนี้เอาให้ถาม มีส่วนร่วมนลยถ้าพวกเรามันมีแต่รับแล้วก็มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยแล้ว ม, มันพัฒนาได้ยังไงกาความเขา้าใจอยากให้เราคิดวิจัยแยกแยะเรืองี้ดีมาให้ไปอ่านก่อนแล้วมานั่งถกกันเรื่องกรรม <c oughs> ดีไมด่ดีเอางั้นนะ ให้เราไปเรียนรู้เรื่องกรรมแล้วก็ามานั่งคุยกันนี่นี่ไม่มีฐานมาเลยใช่ไหมเนี่ยมีไหมเออันไปอ่านเรื่องกรรมดีไหมดีเพราะให้ถามก็มันถามก็ไม่รู้ตั้งตั้งหลังไม่ถูกแล้วถ้าแบบเนี้จริงไม่จริงนี่เรียนหลายรอบ้คนส่วนใหญ่เลยมากก็จะไปเข้าใจว่ากายกรรมวิมจีกรรมมีโทษมากกว่ามโนกรรม ในความเข้าใจลักษณะเ น, นี้ยเพราะไม่เข้าใจตัวมโนกรรมเป็นตัวกําหนดทั้งหมดโลกหรือชีวิตหรือชุมชนเอาในวัดเนี้ยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยที่มันเสื่อมโซนโซมทั้งหลายก็เพราะกรรมและถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นการเจริญรุ่งเรืองก็เพราะกรรมอีกเหมือนกันแม้กระแสชีวิตแต่ละบุคคลเนี้ยที่มันจะเป็นไปในทางเสื่อมเสียหายทั้งหลายก็กรรมคือเจตนานี้ยหรือจะทําให้มันเจริญรุ่งเรือง ไ, ไปอีกมุมนึงก็เพราะกรรมนั่งตัวมโนกรรมเป็นตั ว, ตวกําหนดทั้งหมด แต่เราจะใช้ไปในทางสร้างสารรค์หรือทำลายนเนี่ยสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดแล้อมแม้ประเทศชาติแม้โลกไปนี้ก็มีตัวโมโนกรรมเป็นตัวกำหนดเป็นตัวใหญ่มากที่เราเห็นระบบเทคโนโลยีทั้งหลายที่มันจเจริญหรือว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะมาจากโมโนกรรมล้วนๆม่จากกระบวนการความคิดล้วนๆเราจะเห็นด้วยตัวโมโนกรรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากวิทยาการทั้งหลายที่มันจเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วปุ๊บ ป, บปบุเนี่ยมีมโนกรรมทั้งนั้นเพราะมโนกรรมเป็นตัวกำหนดก่อนมันก็จะ พัฒนาคือความเจริญทั้งด้านวัตถุทั้งด้านจิตใจที่เสื่อมโทรมทั้งหลา ย, ยานี่ก็มโนกรรมที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยเราได้สิ่งเสพสิ่งบริโภคทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วเนี่ยอยางอำนวยความสะดวกอย่างมากมายเนี่ยเราก็เป็นผู้มีมโนกรรมที่ผิดพลาดเป็นไปกับโมหะเป็นผู้เสพเป็นผู้บริโภคแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้มองเห็นหรือยังนี่เป็นอย่างนี้ แม้แต่การที่จะบรรลุมรรคผลผนิพพานก็เรื่องมโนกรรมคือความเข้าใจล้วนๆในการที่จะดําเนินกระแสะชีวิตแม้ชีวิตของเราแต่ละขณะที่เราเป็นอยู่ขณะ น, นี้ที่เรานั่งๆั่งอยู่เนี่ยสภาพจิตใจเราที่เป็นตัวกําหนดเรานั่งไปแล้วก็ดิกขาเมม้าเ ม, ม, ม, ม, ม้เนี่ยอะไรเป็นตัวกําหนดเออมโนกรรมเป็นกุศลหรืออกุศลน่ย เห็นไหมเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยเนี่ยเราถูกตัวนี้ครอบงำจนโมหะกินขนาดนั่งกระดิกกระดิกไม่ก็ได้ที่จะทำแบบหลงๆยังไงก็ได้มันตัวมโนกรรมเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยมนุษย์ก็มีพฤติกรรมที่ออกมาแบบต่างๆกันเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้มาจากมโนกรรมกลุ่มไหน มโนกรรมกลุ่มโลภะนี่กำกับกระแสชีวิตให้เป็นไปอย่างนี้มโนกรรมกลุ่มโทสะนี่กำหนดกระแสชีวิตให้เป็นไปอย่างนี้มโนกรรมมโนกรรมกลุ่มโมหะกำหนดกระแสชีวิตให้ดําเนินไปอย่างนี้มโนกรรมกลุ่มอโลภะกาหนดกําหนดกระแสชีวิตให้เป็นอย่างนี้อัโทสะและปัญญาเนี่ยกำหนดกระแสชีวิตให้เป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่ไหมเรื่องมโนกรรมเนี่ยควรศึกษาเรียนรู้ไหมล่ะควรรู้จักมันให้ดี และในขณะเดียวกันเราก็จะได้เราจะสะอาดหรือผ่องแผ้วได้ได้ด้วยการธรรมนกรรมที่ผิดพลาดหรือหรือหรือไม่ผิดพลาดถ้าไม่ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็กลายเป็นโอ้โหเสียหายเลยว่างั้นตัวมโนกรรมเป็นตัวเป็นเรื่องใหญ่นั้นกระบวนการชีวิตจิตใจของเราที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นตัวกรรมตัวนี้เป็นตัวกําหนดเป็นตัวเรื่องมโนกรรมล้วนๆเลยเห็นไหมผลของมโนกรรมเนี่ยกุฏิหลังนี้เกิดขึ้น ม่นจะจินตนาการมัจะเจตกติมัจะความจงใจตั้งใจพราะมโนโกรรมมันกำกับเสร็จปุ๊บมันก็ทําหรือเนี่ยสถานที่ต่างๆคลองแม่น้ำปลาปลาห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเหล่านี้ตลอดถึงเครื่องบินเนี่ยมันบินขึ้นไปสู่อวกาศทั้งหลายนี่ใช่มโนกรรมไหมระเบิดปรมาณูทั้งหลายที่มันทำลายล้างกันเนี่ยใช่มโนกรรมไหมเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนั้นมโนกรรมมันทําลายก็ได้สร้างสรรค์ก็ได้เร่วงใหญ่มาก การศึกษาในเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างที่เราเข้าใจเลยเราจะมองเห็นนี่ังมีอะไรถามไหมอา้าวโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะดวไปว่ากันเดี๋ยวไปอ่านนะให้ไปอ่านข้อมูล